วันนี้เป็นวันพระเป็นวันมงคลเพราะว่ามีการกระทําที่เป็นมงคลนั่นเองความมงคลไม่เกิดขึ้นจากการเป็นวันพระวันพระนี้เป็นเพียงวันที่พระพุทธเจ้าท ศ, าศาสนิกชน หยุดการกระทำภารกิจการงานต่างๆทางร่างกายเพื่อให้มาทำภารกิจทางจิตใจเพื่อมาสร้างมงคลให้แก่จิตใจมงคลแปลว่าความสุขความเจริญของจิตใจไม่ได้หมายถึงความเจริญทางด้านลาบยศสรรเสริญ ทางความสุขทางตาหูจมูกลินกล้นกายบางคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าถ้าทำตามคำสัง่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะร่ำจะรวยจะเจริญในหน้าที่การงานจะมีตำแหน่งสู ง, สง อันนี้อาจจะเกิดขึ้นก็ได้ไม่อาจจะเกิดขึ้นก็ได้เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้พุ่งไปที่ความสุขความเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกิยรตรสต่างๆแต่มุ่งไปที่ความสุขความเจริญของจิตใจ จเจริญอย่างไรอย่างเรียกว่าจเจริญของจิตใจก็จเจริญจากมนุษย์ไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระอาริยบุคคลขั้นต่างๆจนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอารหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้าหรือขั้นพระ อรหันตสาวกความสุขก็คือนิบบานังปรมังสุขขังความสุขที่เป็นบรมสุขของพระนิพพานของพระพุทธเจ้าและของพระอรหันตสาวกทั้งหลายนี่คือความหมายถึงความสุขความเจริญทางจิตใจจิตใจของมนุษย์ มีความสุขน้อยกว่าจิตใจของพวกเทพวกเทวดาพวกเทพวกเทวด า, ว ก, ว ก, วดาก็มีความสุขน้อยกว่าพวกพรหมพวกพรหมก็มีความสุขน้อยกว่าพวกอริยาเจ้าพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอระหันต์ตามลาดับไป จนถึงขั้นสูงสุดคือขั้นพระอาหารหันต์สาวกหรือพระอาหารหันต์ตสัส ม, มาสัมพุทธเจ้าก็จะได้ความสุขเต็มเปี่ยมภายในหัวใจเต็มร้อยจึยงเรียกว่าบรมมสุขและเป็นสุขที่ไม่มีวันเสื่อมคลายไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดไม่เหมือนกับความสุขทะ ทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสเป็นความสุขแบบควันไฟได้มาแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จางหายไปดีใจอยู่วันสองวันแล้วความทุกความวิตกกังวลต่างๆก็เข้ามามาเบียดให้ความสุขที่ได้นั้นหายไปหรือความเคยชิน พอได้สุขกับอะไรใหม่ๆก็จะรู้ว่าสุขมากแต่พอเคยชินกับมันความสุขมากๆก็หายไปนี่คือความสุขทางโลกที่พระพุทธเจ้าสรงสอนว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนาัตตาเป็นความสุขที่เราไม่ควรที่จะขวนขวายกัน เป็นความเจริญที่เราไม่ควรขวนขวายเกินกันเพราะมันจะนำความทุกข์มาให้กับเราต่อไปเพราะความสุขความเจริญเหล่านี้ย่อมมีวันสิ้นสุดลงย่อมมีการพลาดพลาจากกันเป็นธรรมดาไม่จากกันตอนเป็นก็จากกันตอนตาย ตอนจากกันไม่ว่าตอนเป็นหรือตอนตายก็เศร้าโศกเสียใจร้องหม่มร้องไห้กินไม่ได้นอนไม่หลับกันจึงไม่ให้ไปหลงกับการหาความสุขทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสให้มาหาความสุขทางจิตใจกันด้วยการมาวาัดกัน มาวัดแล้วจะได้กระทาสิ่งที่หมนมงคลสิ่งที่ ม, ง, ม, ง, ค ง, มงคลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้มีอยู่สามสิบแปดขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือไม่ให้คบคนงโง้อให้คบคนฉลาดอาเซวนาจะบาลานังอย่าคบคนผ่านคนงโง่ บัณฑิตานันจะเสวนาให้คบบันดิตคนฉลาดเอตัมมังกลมุตตมังเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะการที่ได้คบคนง่อก็จะพาให้เราง่ด้วยถ้าคบคนฉลาดเขาก็จะพาให้เราฉลาดคนฉลาดนี้มีสองแบบด้วยกัน ฉลาดทางโลกและฉลาดทางธรรมนฉลาดทางโลกนี้ยังไม่ถือว่าเป็นความฉลาดจริงเพราะยังไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆทางจิตใจให้หมดสิ้นไปได้ต่อให้เรียนจบระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยด่งดังที่สุดของโลก อันดับหนึ่งของโลกได้รับรางวัลโนเบลก็ยังจะไม่สามารถที่จะกาจัดปัญหาทางจิตใจได้จิตใจยังจะต้องทุกข์ยังต้องกังวลยังต้องหวาดกลัวยังต้องวุ่นวายยังต้องไม่สบาย อ, อกไม่สบายใจไปกับเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ พอความรู้ทางโลกนี้ท่านบอกว่าเป็นความรู้แบบท่วมหัวเอาตัวไม่รอดคือไม่รอดพ้นจากความทุกข์ใจนี้เองไม่เหมือนกับความรู้ทางธรรมความรู้ทางธรรมนี้เป็นความรู้ที่มีไว้เพื่อกาจัดปัญหาทางจิตใจโดยตรงเลยทีเดียว ไม่สนใจกับปัญหาต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพอมันไม่เป็นปัญหาที่สำคัญละกําจัดมันยังไงแก้มันยังไงก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดแต่ปัญหาที่สำคัญปัญหาที่แก้ได้หมดแลวจะทำให้ปัญหาต่างๆนั้นกลายเป็นไม่เป็นปัญหาไปคือปัญหาทางจิตใจความทุกข์ทางจิตใจ ถ้าลองกำจัดความทุกข์ทางจิตใจได้หมดแล้วความทุกข์ทางราบยศสารเสริญความทุกข์ทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปัญหาต่อไปอมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปอมันจะเป็นปัญหาก็ปล่อยมันเป็นปัญหาไปอมันเป็นเรื่องธรรมดาของโลกนี้โลกนี้เป็นโลกของปัญหาโลกของความทุกข์ พวกเราไม่มีหน้าที่มาแก้ปัญหาทางโลกกันไม่มีหน้าที่มาแก้ปัญหาทางทางร่างกายความทุกข์ทางร่างกายกันทางโลกกันเรามีหน้าที่มาแก้ปัญหาที่ใจของพวกเราเพราะว่าเมื่อเราได้แก้ปัญหาที่ใจของพวกเราแล้วใจของพวกเราจะไม่มีปัญหากับปัญหาทางโลกอีกต่อไป เพราะจะมีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าปัญหาทางโลกแก่อย่างไรมันก็ไม่มีวันสิ้นสุดไม่มีวันหมดมันจะหมดก็ต่อเมื่อไม่กลับมาเกิดในโลกนี้เท่านั้นต่อเมื่อถ้าไม่มีคนมาเกิดในโลกนี้แล้วปัญหาก็จะไม่มีปัญหาที่มีเพราะโลกนี้มันเป็นโลกของอนิจจังทุกขังอนัตตา โลกของปัญหานั่นเองดังนั้นเราอย่าไปสนใจกับการแก้ปัญหาทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสผลพทพะกันแก้ปัญหาพอให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอให้ร่างกายมีปัจจัยสี่เพื่อที่มันจะได้อยู่เป็นปกติ ไม่ต้องอยู่แบบร่ำรวยแบบมหาเศรษฐีแบบประธานาธิบดีแบบพระราชามหากษัตริย์มันก็มีผลเท่ากันอยู่แบบคนธรรมดามีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็เหมือนกับอยู่ในมหาราชวังมันก็เป็นที่หลบแดดหลบฝนเหมือนกันกินอาหารข้างถนนมือละห้าสิบบาท กับกินอาหารในโรงแรมหรูๆมื้อละห้าพันห้าหมื่นมันก็อิ่มเหมือนกันเห็นไม่ต้องไปวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายมากจนเกินไปจําเป็นต้องเลี้ยงดูร่างกายเพราะถ้าไม่มีร่างกายเราก็จะไม่สามารถมาทําสิ่งที่เป็นมงคลแก่จิตใจได้นั่นเองเรายังยังต้องเลี้ยงดูร่างกาย เยียวยาร่างกายแก้ปัญหาของร่างกายที่แก้ไม่มีวันหมดแต่ก็ต้องแก้ไปจนกว่ามันจะสิ้นลมหายใจไปถึงจะไม่ต้องแก้อีกต่อไปถ้าตราบใดยังมีร่างกายอยู่ตราบนั้นก็ยังต้องดูแลเลี้ยงดูมันแก้ปัญหาของมันตามอั ต, ตภาพ ถ้ายังยังไปไม่ได้มงคลอันสูงสุดเราก็ยังต้องอาศัยร่างกายนี้เป็นเครื่องมือพาเราไปกระทำสิ่งที่เป็นมงคลอย่างวันนี้เราก็ต้องมีร่างกายพาเรามาวัดเพื่อเราจะได้มาศึกษาวิธีที่จะสร้างมงคลให้แก่จิตใจของพวกเรา วิธีแรกก็คือเลิกคบคนง่คนง่ก็จะจะเรียกว่าคนฉลาดทางโลกก็ได้คนฉลาดทางโลกนี้มักจะคิดว่าเขาฉลาดกันพอได้ปริญญาตีโทเอกนี่คิดว่าฉลาดคนที่คิดว่าตนเองฉลาดนี้ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เรียกว่าเป็นคนง่เพราะว่า ความฉลาดทางโลกนี้ยังไม่สามารถแก้ปัญหาของทางใจได้นั่นเองคนที่ฉลาดจริงมักจะเป็นคนที่รู้ว่าตนเองยังไม่ฉลาดพอคือยังไม่ได้แก้ปัญหาต่างๆของทางจิตใจให้หมดสิ้นไปคนแบบนี้ท่านว่ามีโอกาสเป็นคนฉลาดได้ คนที่รู้ว่าตนเองยังไม่ฉลาดพอคือยังไม่สามารถแก้ปัญหาต่างๆของจิตใจให้หมดไปได้ยังมีโอกาสที่เป็นคนฉลาดได้เพราะเมื่อรู้ว่าตนเองยังไม่ฉลาดก็ต้องขวนขวายศึกษาจากคนฉลาดคนฉลาดทางโลกทางธรรมก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่เองะ เข้าหาพระพุทธเจ้าหรือพระธรรมคำสอนที่เป็นคำที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าหรือเข้าหาพระอริยสงสารุกผู้รู้วิธีแก้ปัญหาทางใจ เ, เมื่อได้เข้าหาแล้วก็จะได้เรียนรู้วิธีแก้ปัญหาทางใจต่างๆให้หมดไปได้ถ้าเข้าคบหากับคนฉลาดทางโลก เขาก็จะพาให้ไปเพิ่มปัญหาทางใจให้มากขึ้นเพราะเขาไม่รู้ว่าการกระทำของเขาคือการหาความสุขความเจริญทางโลกนี้เป็นการหาความทุกข์ความวุ่นวายทางจิตใจเพราะเขาจะฉลาดในการหาลาบยศสรรเสริญ หารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาให้ความสุขเขาแล้วความสุขที่เขาได้มันก็จะกลายเป็นความทุกข์ต่อไปเมื่อมันเกิดความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเกิดก็ความเสื่อมขึ้นมาเมื่อเกิดการสิ้นสุดขึ้นมาความทุกข์ก็จะโหมเข้ามาเหมือนพายุเข้ามาอย่างที่ไม่เคยคิดมาคาดมาก่อน คนที่เคยมีแต่ความสุขอย่างเดียวจะไม่รู้ว่าความทุกข์จะเป็นอย่างไรจะมารู้ก็จะสายไปเสียแล้วเวลาที่ความสุขที่เคยมีนั้นมันหายไปหรือหมดไปเวลานั้นะจะถูกพายุของความทุกข์กระหนำเข้าสู่จิตใจจนบางครั้งถึงกับทนรับไม่ไหว ถึงกับอยากคิดฆ่าตัวตายกันคนที่ฆ่าตัวตายกันนี่ร้อยทั้งร้อยรับประกันได้ว่าทนกับความทุกข์ที่โหมกระหน่ำเข้าเข้าสู่จิตใจไม่ไหวไม่รู้จักวิธีหลบเลกหรือวิธีทำให้ความทุกข์เหล่านั้นหายไปก็เลยต้องคิดหาวิธีหนีมัน วิธีหนีมันก็คิดว่าหนีด้วยการฆ่าร่างกายให้มันตายอันนั้นก็ไม่ได้หนีมันเพราะความทุกข์มันโหมกระหน่าอยู่ภายในใจมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกายฆ่าร่างกายความทุกข์ที่อยู่ภายในใจก็ยังไม่หมดไปแต่กลับมีเพิ่มมากขึ้นจากการฆ่าตัวตายออการฆ่าตัวตายนี้จะเพิ่มความทุกข์ใจให้มีเพิ่มมากขึ้น ไม่ได้ทำให้ความทุกข์ใจน้อยลงไปก็จะดึงจิตใจฉุดรากจิตใจให้ลงต่ำกว่าตอนก่อนที่จะฆ่าตัวตายถึงแม้จะมีความทุกข์จากการสูญเสียลาบยศสรรเสริญสูญเสียรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆความทุกข์ที่เกิดจากการสูญเสียมันก็ยังไม่ร้ายกาดเท่ากับความทุกข์ที่เกิดจากการฆ่าตัวตาย แห็นผู้ที่คิดจะฆ่าตัวตายก็หยุดคิดได้แล้วมาคิดวิธีแก้ความทุกข์กันดี ก, กว่าด้วยการหัดเข้าวัดกันหัดเข้าหาธรรมะกันการเข้าวัดนี้ก็เพื่อเข้าหาคําสอนของบัณฑิตคือพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันตสาวกนั่นเองตามที่ทรงสอนว่าบัณฑิตานันจะเสวนา เอตํมมังกรลมุตตะมังการคบบัณฑิตการเข้าหาบัณฑิตจะเป็นมงคลอย่างยิ่งต่อจิตใจให้เข้าหาบัณฑิตเข้าศึกษาวิธีที่จะกำจัดความทุกข์ต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจและที่ยังจะโหมกระหน่ำเข้ามาในจิตใจในอนาคตให้มันหมดไป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 กำจัดความทุกข์ใจต่างๆให้หมดไปนี่แหละคือความหมายของความมงคลที่เป็นมงคลเพราะไม่ใช่ว่าเป็นวันพระแรสิบสี่ําำนะแต่เป็นวันที่เราจะมาทำตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเข้าหาบัณฑิต เข้าหาบัณฑิตของพระพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เมื่อเข้าหาแล้วสิ่งที่ทําก็สิ่งที่จะได้ก็คือศึกษาถ้ามาวัดแล้วไม่มาฟังเทศฟังธรรมก็ยังถือว่ามาไม่ถึงวัดมาไม่ถึงวัดเพราะว่าคําว่าวัดนี้ก็คือความรู้นั่นเองธรรมะ ธรรมะอยู่ที่วัดจึงต้องมาวัดกันเพราะว่าผู้รู้ธรรมะคือพระอริยสงสาวกหรือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้จะมีอยู่ในวัดไม่ได้มีอยู่ตามร้านค้าต่างๆตามห้างสรรพสินค้าต่างๆจะมีอยู่แต่ในวัดเราจึงต้อง หาเวลาเข้าวัดกันในสมัยก่อนวันพระนี้จะตรงกับวันหยุดทำงานสมัยก่อนญาติโยมหรือพุทธบอยสัตว์ส่วนใหญ่จะเป็นชาวนาชาวไร่ก็หยุดทำงานในวันที่กำหนดขึ้นมากันคือในวันวันพระวันพระนี้ใช้ปฏิทินตาม การโคจรของดวงจันทร์ที่เรียกว่าปฏิทินทางจันทลกติซึ่งวันแรมขึ้นแปดค่ำสิบห้าค่ำหรือวันขึ้นแรมปดค่ำสิบห้าค่ำหรือสิบสี่ค่ำนี้มันจะไม่ตรงกับวันใดวันหนึ่งเสมอไปมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นวันนี้ตรงกับวันพุธ วันพระหน้าก็จะไปตรงกับวันพระรหัสแล้วต่อไปก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆจากพระรหัสก็ไปศุกร์ไปเสาร์ทีนี้สมัยปัจจุบันเราเปลี่ยนวิธีหยุดทำงานกันโดยเราหยุดตามปฏิทินสุริยคติคือปฏิทินที่ใช้พระอาทิตย์เป็นเครื่องวัดวันกัน อาทิตย์นี้จะมีสิบสองเดือนต่อหนึ่งปีเดือนหนึ่งก็มีสามสิบวันแล้วแบ่งเป็นอาทิตย์อาทิตย์หนึ่งมีเจ็ดวันจันถึงอาทิตย์แล้วทางโลกสากลเขานิยมใช้วันเสาร์วันอาทิตย์เป็นวันหยุดทำงานกัน พอประเทศไทยเราไปติดต่อกับโลกภายนอกไปทําการค้าขายทําธุรกิจกับทางโลกภายนอกก็เลยต้องหยุดตามเขากันไม่องั้นเดี๋ยวทํางานกันลาบากเช่นถ้าเรายังถือวันหยุดเป็นตามจันทรสกติอยู่เราก็จะหยุดทํางานกันในวันพระคือวันนี้วันนี้พอต่างประเทศเขายังทํางานอยู่ เขาจะมาติดต่อซื้อขายกับเราก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้ไปทํางาน เ, ออเราพอถึงวันพระเป็นพอถึงวันเสาร์วันอาทิตย์เราไปทํางานเพราะไม่ใช่เป็นวันหยุดของเราต่างประเทศเขาก็หยุดทํางานกันก็ไม่สามารถติดต่อซื้อขายกับเขาได้ในวันเสาร์วันอาทิตย์นทางประเทศไทยก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดจากวัน ขึ้นแรงแปดค่ำสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนถึงจะสามารถที่จะทามาค้าขายกันได้อย่างสะดวกไม่มีอุปสรรคมันเลยเป็นเหตุที่ทำให้ชาวพุทธเหล่านี้อยู่ห่างไกลวัดขึ้นไปเพราะว่าพอถึงวันพระอย่างวันนี้ ก็ต้องไปทำงานกันก็เลยไม่ได้มาวัดกันจะมาวัดกันได้ก็ต้องรอให้วันพระตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ซึ่งนานๆจะเกิดขึ้นสักครั้งหนึ่งสองสามเดือนจะเกิดตรงกันสักครั้งหนึ่งนี่จึงเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ชาวพุทธเหล่านี้ไม่รู้จัก พระพุทธศาสนาของตนเองเพราะไม่ได้มีเวลาเข้ามาศึกษาเรื่องราวของพระพุทธศาสนานั่นเองจึงทําให้อยู่ห่างไกลจากศาสนาไปทําให้ไม่ได้เป็นพุทธอย่างสมบูรณ์ไม่ได้เป็นพุทธอย่างที่ควรเป็นเป็นพุทธแต่ในทะเบียนบ้าน เพราะว่าปู่ย่าตายายเป็นพุทธมาก็เป็นพุทธตามไปแล้วก็เป็นพุทธแบบมือสมัครเล่นมากกว่ามืออาชีพนะฮกจะเข้าวัดก็ต่อเมื่อมีมีโอกาสหรือมีเหตุการณ์สำคัญเช่นวันเกิดวันแต่งงานวันตายอะไรทำนองนี้ถึงจะได้วะเข้าวัดกันสักครั้งหนึ่ง แล้วเข้าวัดก็มักจะไม่ไปถึงวัดอยู่ดีเพราะไปก็ไม่ได้ไปเข้าไปศึกษาฟังเทศฟังธรรมกันไปประรมพิธีกรรมต่างๆเสียมากกว่าวิธีที่ทากันส่วนใหญ่ก็พวกบุญบังสังสวดนี่เองทำบุญทาบังสกุลคนตายก็บังสกุลบุญบังสังกสัตริย์ ถอยสังฆทานสวดก็สวดต่างๆอยากยินนิมนต์พระมาสวดให้เป็นมงคลต่อบ้านก็นิมนต์พระมาสวดที่บ้านอยากจะให้พระสวดเป็นมงคลต่อการแต่งงานก็นิมนต์พระไปสวดในงานแต่งงานกลายเป็นพิธีกรรมไปหมดศาสนาที่เป็นศาสนาที่ให้ความรู้ ก็เลยกลายเป็นศาสนาที่ให้พิธีกรรมไปชาวพุทธลยไม่รู้เรื่องของคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องวิธีสร้างมงคลให้แก่จิตใจรู้แต่เรื่องของพิธีกรรมต่างๆแล้วก็เชื่อแบบมงมงายว่าพิธีกรรมนี้แหละเป็นมงคลที่จะทำให้ จเจริญรุ่งเรืองมีความสุขความจเจริญแล้วก็ไม่ได้สุขจเจริญทางจิตใจเกียวว่าใ้ความสุขความจเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสแต่งานถ้าไม่มีผ้ามาสวดเดี๋ยวกลัวจะอย่าร้างกันกลัวจะตายจากกันถ้ามีผ้ามาสวดแล้วจะอยู่กันไปจนวันตายอันนี้เป็นความเชื่อแบบงมงาย พ่อนจะมีพระมาสวดไม่สวดถึงเวลามันจะตายจากกันมันก็ไม่มีใครมาห้ามได้ถึงเวลามันจะหย่าร้างกันก็ไม่มีใครมาห้ามได้ไม่เคยใช้เหตุผลมาพิจารณาเลยว่าไอ้ที่ทําทํากันนี้แล้วมันได้จริงหรือเปล่าะเพราะกลัวบาปเพียงแต่ไปสงสัยพิธีกรรมก็กลัวว่าเป็นบาปซะแล้วเออก็เลยไม่รู้จริงว่า เอพิธีกรรมต่างๆนี้ทําให้สุขให้เจริญได้จริงหรือเปล่าถ้าใช้เหตุผลใช้ปัญญาวิเคราะห์แล้วมันไม่เกี่ยวกันเลยพิธีกรรมเหล่านี้จะมีจะทําหรือไม่ทํามันไม่ได้ทําให้เรื่องราวของเรานี้เปลี่ยนไปแต่อย่างใดเรื่องราวของพวกเราจะเปลี่ยนไปอยู่ที่พฤติกรรมของเรามากกว่า ไม่ได้อยู่ที่พิธีกรรมอยู่ที่พฤติกรรมทางการกระทาทางกายทางวาจาและทางใจอันนี้แหละเป็นตัวที่จะตัดสินว่าชีวิตของเราจิตใจของเราจะเจริญหรือจะเสื่อมจะขึ้นหรือจะลงไม่ใช่การกระทาพิธีกรรมต่างๆ แต่ไม่กล้าคิดกันไม่กล้าศึกษากันกลัวบาปก็เลยเชื่อแบบงมงายไปแล้วชีวิตก็ล่มจมไปกับความงมงายก็ต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆที่โผมกระหน่ำเข้ามาอยู่เรื่อยๆถ้าทนไม่ไหวก็ฆ่าตัวตายกันไปนี่คือ การเข้าไม่ถึงวัดการจะเข้าถึงวัดนี้ต้องเข้าถึงพระธรรมคาสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าเราต้องรับจากบัณฑิตของพระพุทธศาสนารับจากพระพุทธเจ้าถ้ายังมีพระพุทธเจ้าพระชนชีพอยู่เช่นตอนนี้ไปอินเดียก็ไม่เจอพระพุทธเจ้าไม่รู้ไปทำไมไปก็ไปไม่ถึงพระพุทธเจ้าอยู่ดี ไปก็ไปเจอแต่สถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่เท่านั้นแต่ก็มีประโยชน์สำหรับคนบางคนคนที่ยังไม่เชื่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่ถ้าได้ไปเห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่ก็จะได้มีอะไรมายืนยันว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงนะเคยเกิดที่นี่ เคยนั่งตัดสรุใต้ต้นโพธิ์ที่ตรงนี้เคยแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่พระปัญจวคีที่ตรงนี้และได้จากโลกไปที่ตรงนี้นี่คือ ป, ปูชนียสถานหรือสังเวชนียสถานสี่ที่ชาวพุทธเราถ้ามีโอกาสก็ควรไปกันถ้ายังไม่มีความมั่นใจ ไม่มีศรัทธาที่มั่นคงยังไม่มั่นใจยังลังเลสงสัยยังคิดว่าเป็นนิยายหรือเป็นเรื่องจริงอย่างนี้ถ้าได้ไปที่สังเวชนิสถานทั้งสี่ก็จะมีความมั่นใจขึ้นมาว่าไม่ถูกหลอกแน่นอนเรื่องของพระพุทธเจ้านี้เป็นความจริงมีจริงเกิดขึ้นจริงเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีมาแล้ว เพราะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มายืนยันคือสถาน ท, ที่ที่ทรงประทับทรงที่ประสูติตัศรลหเสด็จดับขันธ์ท้าปรรณิพานนี้มีการาจดจำกันมาถ่ายทอดกันมาอันนี้สำหรับคนที่ไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่ก็อาจจะคิดว่าเป็นนิยายที่คน แต่งขึ้นมาเพื่อที่จะหลอกให้คนทําความดีกันเถอแต่ความจริงไม่ใช่เรื่องหลอกเรื่องจริงและการทําความดีก็ไม่ได้หลอกให้ทําแต่เพราะว่าความดีมันดีกับคนทํานั่นเองจึงนํามาสอนให้กับคนที่ยังไม่ดีให้ดีขึ้นมาเพราะดีแล้วจะไม่มีทุกข์จะมีแต่ความสุขนั่นเอง น, นี่สำหรับคนที่ยังไม่แน่ใจยังลังเลยสงสัยและถ้ามีปัญญามีโอกาสที่จะไปก็ไปได้ไม่หา้ามแต่สาหรับคนที่มั่นใจแล้วว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงไปก็ไม่ได้อะไรมากมายกว่าเท่าที่มีอยู่ไม่ได้ไปเสริมความมั่นใจให้มีมากขึ้นแต่อย่างใด ก็ดูครูบาอาจารย์ต่างๆหลวงปู่ตั้งแต่หลวงปูม่มั่นลงมาไม่มีใครไปประเทศอินเดียกันครท่านเข้าป่าเข้าเขากันนั่นแหละเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าเับท่านเขาไปหาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ในป่าในเขากันเนี่ยวัดที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาก็คือป่าเขาลำนาวัยนี้เองที่สงบสงัดวิเวก ที่จะปฏิบัติทำให้เกิดมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเมื่อเห็นธรรมก็จะเห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระอาลัยสงสาวกขึ้นมาเห็นพระรัตนตรยอันนี้แหละคือวัดที่แท้จริงสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะได้พบกับคาสั่งคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธเจ้านี้ ต้องไปหาในป่าในเขาหาที่สงบส ง, งัดวิเวกในเบื้องต้นก็หาความรู้จากพระไตรปิฎกก่อนถ้าไม่มีใครสั่งใครสอนก็อ่านหนังสือในพระไตรปิฎกไปก่อนหรือฟังเทศน์ฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ต่างๆพอฟังแล้วก็จะได้รู้ว่าวิธีที่จะทำให้เป็น คนฉลาดขึ้นมาวิธีที่จะทำให้ความทุกข์ต่างๆหมดสิ้นไปจากใจก็ต้องไปปฏิบัติธรรมในที่สงบสงัดวิเวกไปกำจัดตัวที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ทั้งหลายนั่นก็คือโมหะอวิชากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจไปกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปจากใจ ท้าที่จะกำจัดมันได้ที่ดีที่สุดก็คือที่ที่สงบสงัดวิเวกที่ไม่มีอะไรมาคอยรบกวนใจคอยขัดขวางใจในการที่จะทำลายโมหะอวิชากิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจได้พระพุทธเจ้าพระอาลาันตสาวกทั้งหลายนี่ ท่านบรรลุธรรมในป่าในเขากันทั้งนั้นเหมือนกับโรงพยาบาลเนี่ยคนที่ไปรักษาคนที่หายจากการโาครคภัยไข้เจ็บนี่ส่วนใหญ่ก็หายจากการไปรักษาที่โรงพยาบาลถ้ารักษาที่บ้านดีไม่ดีก็ตายกันเดี๋ต้องไปโรงพยาบาลกันเพราะโรงพยาบาลมีเครื่องมือพร้อมมีแพทย์มีพยาบาลพร้อมที่จะ ดูแลรักษาร่างกายรักษาโาครคภัยไข้เจ็บให้มันหายไปนั่นเองฉขนใดใจก็เป็นเหมือนร่างกายใจก็เป็นเหมือนคนไม่สบายมีโครคภัยไข้เจ็บคือความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากโมหะอาวิชากิเลสตัณหาจึงต้องไปโรงพยาบาลของใจโรงพยาบาลของใจก็คือ ที่สงบสงัดวิเวกตามป่าตามเขาเนีเ่เพราะที่นั่นมีเครื่องมือพร้อมมีห้องผ่าตัดมีที่ดมยามีอะไรต่างๆเครื่องมือต่างๆที่จะมาเอาความโลภความโกรธความหลงความอยากโมหะอาวิชชาต่างๆออกไปจากใจที่เป็นเหมือนกับโรคมะเร็งเนี่ยเป็นเหมือนเนื้องอก ที่อยู่ในใจกิเลสตัณหาโมหะอวิชานี่เป็นเหมือนเนื้องอกที่จะต้องพ่าออกไปตัดมันออกไปถ้าปล่อยให้มันอยู่ในใจมันก็จะมาสร้างความเจ็บปวดรวดรล้าให้แก่จิตใจยังไม่รู้จักจบจากสิน้นแต่พอได้เข้าไปโรงพยาบาลของใจแล้วไปอยู่ตามป่าตามเขาไปอยู่ตามที่สงบสงัดวิเวก แล้วก็ใช้เครื่องมือคือกรรมฐานและทุดงเนี่ยพระทุดงกรรมฐานเนี่ยท่านมีเครื่องมืออยู่สองชนิดในการที่จะมาต่อสู้กับกิเลสตัณหามากำจัดกิเลสตัณหาต่างๆท่านอาศัยทุดงขวัตคือการกินการอยู่แบบสมะถะเรียบง่ายแล้วก็อาศัยกรรมฐาน คื อ, อยาที่จะมากําจัดความโลภความอยากความหลงต่างๆให้หมดไปจากใจนต้องมีตุดงกรรมฐานถึงจะทำให้การรักษาโาครคภัยไข้เจ็บของจิตใจนี้หายขาดได้อย่างง่ายดายและรวดเร็วนี่คือสิ่งที่ ผู้ที่ปรารถนาความหลุดพ้นจากความทุกข์จาเป็นที่จะต้องใช้กันถ้าอยากจะรักษาให้มันหายขาดภายในภพนี้ชาตินี้ไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีเนี่ยจาเป็นที่จะต้องใช้ทุดงกับกรรมาฐานนี้เป็นเครื่องมือในการกําจัด ธูดงก็มีสิบสามข้ออันนี้ท่านสอนให้กับพระแต่ถ้าเป็นญาติโยมก็สามารถใช้ได้ไม่ห้ามเชนฉันมื้อเดียวนี้ก็ญาติโยมก็กินได้กินมื้อเดียวก็ได้ไม่จําเป็นว่าต้องรอเป็นพระก่อนถึงจะมาถือธูดงข้อนี้อยากอยากจะกําจัดกิเลสตัวหิวโหยกับอาหารการกินต่างๆก็ ลดให้มันเหลือมื้อเดียวความอยากกินมันก็อยากได้แค่เพียงวันละครั้งเดียวถ้าไม่ถือทุดงขวัดเดี๋ยวก็อยากกินเลื่อยเปยื่อยตั้งแต่ตื่นมาจนถึงเที่ยงถ้าถือศินแปดก็กินได้ไม่ได้ห้ามเติ่นขึ้นมาก็ลอ ก, กาแฟก่อนขนมปังก่อนเราเดี๋ยวสายๆก็ข้าวต้มอีกสักถ้วยเราเดี๋ยวเที่ยงถึงจะกินอาหารหนัก มันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นถ้ากินเพื่อร่างกายนี้กินมันหนเดียวแบบพระทุดงกลับมาจากมินทบาทก็จัดอาหารใส่บาตรแล้วก็ถ้ามันยันจู้จี้จุกจิกกับเรื่องอาหารก็คุกมันไปให้มันเป็นเหมือนอ า, อาหารหมาเพราเดียวมันก็ต้องไปคุกกันในท้องอยู่ดีไม่ใช่เหรอ อาหารที่เรากินกันจะยากกันยังไงเดี๋ยวมันก็เข้าไปในท้องจะกินอาหารคาวก่อนแล้วค่อยกินอาหารหวานแล้วค่อยกินผลไม้กินขนมดื่มน้ำํำดื่มนมดื่มเครื่องดื่ม <c oughs> เดี๋ยวมันก็ไปรวมกันในบาศในท้องนะั่นแหละท้องนี่ก็คือบาศ <c oughs> ของร่างกายยิ่งกห้มันรวมกันตั้งแต่อยู่ข้างนอกไม่ดีกว่าไม่จะได้ไม่วุ่นวายยุ่งยาก แม้ต้องมีจานแยกกันในจานของขาวจานของหวานแล้วบางทีช้อนก็ยังต้องแยกกันช้อนของขาวมือาตาัดช้อนของหวานก็ไม่ได้ต้องมีช้อนของขาวของหวานอีกแล้วต้องมีถ้วยสำหรับมีแก้วสำหรับดื่มน้ำชนิดนี้ดื่มน้ำชนิดนั้นก็ต้องมีแก้วอีกแก้วนะถ้ามันลองกินแบบนี้แล้วเดี๋ยวเหนื่อยกับการล้างถ้วยล้างชามเนี่ย เดี๋ยวกินอิ่มก็ไปทําอะไรต่อไม่ได้ต้องคอยเก็บถ้วยเก็บชามไปแล้วกว่าจะเสร็จก็เหนื่อยอยากจะนอนต่อจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะไม่ได้ไปกําจัดความอยากความโลภต่างๆด้วยกรรมฐานเนี่ยกรรมฐานนี้เป็นเป็นตัวที่ใช้ในการกําจัดแต่ทวดงนี้เป็นตัวที่ช่วยให้การ กินอยู่แบบเรียบง่ายไม่ต้องเสียเวลามากอเพื่อจะได้เอาเวลามาใช้กับการกําจัดความโลภความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจเอแล้วก็เป็นตัวช่วยห้ามปามความโลภความอยากไปในตัวเช่นฉันมือเดียวนี่ก็กวรก็มันก็ระงับความอยากได้ไปหลายหลายส่วน แล้วฉันในบาศ ก, ก็มางับความอยากกินชนิดนั้นอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้ได้เพราะอาหารชนิดไหนก็มารวมกันเป็นอาหารชนิดเดียวกันอยู่ดีอันนี้ก็เป็นการตามกิเลสความอยากต่างๆเนี่ยมีวัดหนึ่งอยู่ที่ภูเพ็งนะมีบินธบาตสองสายสายหมู่บ้านชาวเขากับสายในวัง ที่เชียงใหม่ที่ผู้เพ่งมีวังอยู่เขานี่ยมลพาศไปบินธบาตในรับบาทในวังด้วยหมู่บ้านชาวเขาก็นี่าล น, นี่มลพาศไปรับอาหารของชาวเขาอาหารของชาวเขากับอาหารในวังก็รู้ว่าเป็นอย่างไรพอกลับมาถึงวัดท่านก็ให้มารวมในหม้อเดียวกันในวังก็ใส่เข้าไปในหม้อชาวเขาก็ใส่ไปในหม้อเดียวกัน แล้วก็อุ่นมันนิดหน่อยแต่แล้วก็ตักใส่บาทไปทุกองค์มีมามีได้อาหารทั้งสะทั้งของชาวเขาทั้งของชาววังไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบกันไม่เช่นั้นเดี๋ยวจะเลือกไปแต่สายในวังกันสายชาวเขาจะไม่มีใครไปกันคร mm hmm. ูบาอาจารย์ท่านก็เลยต้องใช้เนี่ยถ้วยดองขวัตเนี่ยฉันในบาทเนี่ย เอาอาหารที่ได้จากบินนาบาทมารวมกันแล้วก็ตักใส่บาตรกันรวมกันก่อนแล้วก็อุ่นมันทีหน่อยทำเป็นเป็นเหนืี่แกงมหม้อใหม่พอเสร็จแล้วถึงเวลาก็มาตักใส่บาตรพระพระก็ไม่ต้องเลือกว่าจะอาอาหารชาวเขาหรืออาหารชาววังเดี๋ยวกินเพื่ออิ่มเนทะ่านั้นกินเพื่อดับความหิวนี่แหละเป็นมาตรการที่จะราม ความอยากต่างๆไม่ให้มันมาลบกวนใจไม่งั้นเดี๋ยวเวลาไม่ได้กินอาหารถูกปากถูกใจก็อารมณ์เสียอีกไม่มีกระจิตกระใจที่อยากจะปฏิบัติธรรมขึ้นมาอีกแลดีไม่ดีผ่านพราเดี๋ยวอยากจะขอสึกไปก็มีกลับไปเป็นคารวะ ด, ดีป่าจะได้เลือกอาหารกินตามแบบที่ต้องการวันนี้อยากจะกินก๋วยเตี๋ยวพรุ่งนี้อยากจะกินข้าวผัด มาเดินนี้อยากจะกินฟาสต์ฟู้ดก็สามารถเลือกกินได้ตามอารมณ์แต่การมีความสุขแบบนี้มันไม่มีประโยชน์อะไรเป็นความสุขชั่วปลายลิ้นนั่นเองแล้วถ้าเกิดไม่สามารถทำตามความอยากได้ก็ทีนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา เ, นเกิดอารมณ์เสียขึ้นมาไม่มีความสุขจะทำให้ชีวิตจืดชืดเบื่อหน่ายขึ้นมาได้ ทั้งๆ ท, ที่มันไม่น่าจะต้องเป็นเรื่องจืดชืดเบื่อหน่ายเลยเรื่องการกินเพราะการกินจริงๆก็กินเพื่อดับความหิวเท่านั้นเองเราอย่าไปหวังหาความสุขจากการกินเลยเพราะถ้าจะหาความสุขจากการกินเวลามันไม่ได้กินแล้วทำให้เราสุขมันจะมีความรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกจืดชืดรู้สึกเบื่อหน่ายในชีวิตขึ้นมาได้ แล้วมันก็จะเป็นตัวที่จะทำให้เราเครียดเราทุกข์ขึ้นมาให้กินตามเหตุตามผลกินเหมือนกินยาเวลาเรากินยาเราเลือกดูสีมันหรือเปล่าว่าหมอยาสีแดงมีไหมสีเขียวมีไหมเม็ดเดี ย, ยาวมีไหมเม็ดกลมๆหรือเม็ดสีเหลี่ยมไม่เอาไม่เอาเวลาหมอให้ยาอะไรมาก็รับมาหมอให้กินครั้งละกี่เม็ดก็กิน ให้กินกี่เวลาก็กินตามหมอสัง่งอาหารนี้ก็เป็นเหมือนอยารักษาร่างกายไม่ให้ถูกโรคของความหิวมาคุกคามถ้าได้กินเวลาหนึ่งครั้งก็จะป้องกันโรคของความหิวได้ แ, และวิธีกินยาเราก็กินตามที่พระพุทธเจ้าสั่งพระพุทธเจ้าท่านก็มอบทุ่งรงกวัดให้เรา ให้ชั้นมือเดียวเอชั้นในบาทเนี่ยเพื่อเป็นความไม่ยุ่งยากคิดดูถ้าเราต้องกินยาแล้วแยกยา ก, กินใส่ ย, ยายาเม็ดนี้ใส่จานนี้ยาเม็ดนี้ใส่จานนึเนี่ยน้ําชนิดยาน้ำชนิดนี้ใส่ถ้วยนี้เอไ้ยถ้าจะกินยาแต่ละครั้งเดี๋ยวต้องมาล้างถ้วยล้างจานกันยุ่งไปหมดเวลาเรากินยาเราง่ายมากจากับบรรยัตเข้าปาก กินดื่มน้ำเข้าไปเกินเข้าไปก็เสร็จแล้วนั่นแหละคือวิธีกินอาหารของของผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญทางจิตใจต้องกินแบบกินยายัดยัดมันเข้าไปในปากเคี้ยวแล้วเกินเข้าไปพอมันรู้สึกอิ่มไม่หิวแล้วก็หยุดกินได้แนละ้วนี่คือหน้าที่ของการกินอาหารกินเป็นยารักษาความหิว ป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็วไม่ได้กินเพื่อความสนุกสนานเฮอาไม่ได้กินแบบที่เรากินกันเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่กินแบบเฮฮาฉลองกันกินแล้วก็หวัวละคึกคักอะไรกันไปอันนี้เรียกว่ากินแบบกิเลสมันก็แค่ปลายลิ้นเท่า้นเองพอกินเสร็จเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยววนัน วันที่สองก็กลายเป็นวันธรรมดาไปวันไม่มีชีวิตเอไม่มีไม่มีความอะไรสดชื่นเบิกบานเหมือนกับวันที่หนึ่งแหมวันที่หนึ่งเลี้ยงฉลองวันปีใหม่นี่โอยสดชื่นเบิกบานกันพอวันที่สองก็กลับไปเป็นแบบธรมธรมดาธรรมดาเอ มันเป็นความสุขปดิโอปดาวเป็นความสุขที่หลอกเราอย่าไปติดกับมันเติดแล้วมันจะทำให้ต้องอยู่กับมันไปเรื่อ ย, เ, อยเวลาขาดมันก็จะมีความรู้สึกเหงาปีใหม่นี้ถ้าไม่มีที่ไปฉลองนี่จะรู้สึกเหงาเลยกูจะไปไหนดีไปฉลองกับใครดีมีเพื่อนจัดงานที่ไหนบ้างเขาเชิญเราหรือเปล่าได้ไปหรือเปล่า ถ้าต้องอยู่บ้านคนเดียวนี้มันจะเส่มเศร้าขึ้นมาจะรู้สึกเหงาว้าเหวขึ้นมาแต่ถ้ากินแบบพระนี่ไม่เหงาหรอกวันไหนก็เหมือนกันวันที่หนึ่งก็เหมือนกับวันที่สองวันที่สองก็เหมือนกับวันที่สามกินเหมือนกันทุกวันกินในบาทแล้วก็อาหารก็ไม่ได้ไปเลือกไปซื้อเองแล้วแต่ชาวบ้านจะเมตตาอยากจะให้พระกินอะไรก็ใส่บาทเขาไป ก็กินไปตามมีตามเกิดปัญหาเรื่องกินก็จะไม่มีเอาเวลามาหาความสุขแบบแท้จริงดีกว่ามาปฏิบัติกรรมฐานกันนี่คือสิ่งที่เราต้องทำพอเรามีทุดงควัดแล้วขั้นต่อไปพอเราเสร็จภารกิจทางด้านเลี้ยงดูร่างกาย ที่เราต้องการความสุขของจริงนี่ต้องมาเอาความสุขจาก ก, รร า, า, ก, การปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานนี้ก็เป็นอารมณ์ที่จะกล่อมใจให้เข้าสู่ความสงบเป็นเหมือนเสียงเพลงที่เราฟังกันเวลาเราฟังเพลงแล้วเราก็เกิดความสุขขึ้นมาแต่มันยังเป็น ความสุขปลอมเสียงเพลงเวลาเสียงเพลงหายไปความสุขที่ได้จากเสียงเพลงนั้นก็หายไปซื้มาฟังเสียงธรรมดีกว่าเสียงของกรรมฐานนะเช่นคําบริกรรมพุทโธพุทโธเนี่ยลองบริกรรมไปก็เหมือนกับฟังเพลงไปฟังพุทโธไปแต่พุทโธนี้จะกล่อมให้ใจเข้าสู่ความสงบนะพอสงบแล้ว เพลงกรรมฐานคือพุโทโธก็หยุดได้หยุดก็ไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าเวกลับมีความรู้สึกอิ่มสุขใจเบาใจสบายใจขึ้นมาต้องมาหาความสุขจากการปฏิบัติกรรมฐานกรรมฐานนี้เป็นอารมณ์ที่จะทำให้เรามีสติที่จะควบคุมความคิดปรุงแต่งต่า ง, างๆที่คอยทำให้ใจเราวุ่นวายอยู่ไม่รู้จักจบจากสิ้น ให้เราหิวเราอยากกันอยู่เรื่อยๆให้เราโกรธให้เราอะไรต่างๆนี่เกิดจากความคิดของเราทั้งนั้นแหะพอคิดถึงเรื่องนั้นก็โกรธขึ้นมาคิดถึงคนนั้นก็โกรธขึ้นมาพอไม่คิดความโกรธมันก็หายไปมาหยุดความคิดกันดีกว่าด้วยกรรมฐานด้วยสติตอนนี้เราไม่มีสติพอที่จะหยุดความคิดของเราเองได้ เราเลยต้องไปอาศัยกรรมฐานมาสร้างสติให้กับเราด้วยการหมันเราลึกถึงกรรมฐานอยู่เรื่อยๆต้องเอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยค่อยสร้างสติด้วยการอาศัยกรรมฐานเป็นตัวสร้างขึ้นมาเช่นเราใช้พุโทโธเป็นการสร้างสติพอลืมตาเราก็พุโทโธไปเลย อย่าปล่อยให้ความคิดต่างๆคิดไปแบบไม่รู้จักจบจากสิ้นนะคิดได้ในเรื่องที่จำเป็นก็คิดพอคิดเสร็จก็พุทโธต่อไปอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปื่อยคิดในเรื่องเพ้อเจอเพ้อฝันคิดในเรื่องวุ่นวายต่างๆไม่มีประโยชน์ซู้มาหยุดความคิดเหล่านี้ดีกว่าหยุดโดยการร ล, ลึกถึงพุทโธพุทโธไป มืนฟังเพลงเพื่อให้เกิดความสุขใจฟังเพลงพุทโธนะพุทโธพุทธโธพุทธโธไปเหมือนเหมือนแผ่นเสียงตกล่องเพลงแบบนี้เอ๊ะมันจะไปถึงไหนว่ามันอยู่แค่พุทโธพุทธโธนั่นแหละเพลงแบบนี้มันมีประโยชน์เพราะมันทําให้ความคิดมันหยุดคิดได้ถ้ามันปล่อยให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเดี๋ยวมันก็คิดตามได้ฟังลองลองฟังเพลงที่เขาร้องดูสิ เขาองถึงเรื่องคนนั้นคนนี้เราก็นึกตามไปเดี๋ยวก็คิดถึงเรื่องของเราเปรียบเทียบกับเรื่องของเขาขึ้นมากลายเป็นเรื่องขึ้นมากลายเป็นความ เ, าเสียใจความเศร้าขึ้นมาเห็นฟังเพลงกรรมฐานดีกว่าพุทโธพุทโธฟังเพลงตกเล่งดีกว่าแล้วมันจะทำให้เราหยุดคิดกันพอไม่คิดแล้วจิตก็จะสงบเย็นสบายมีความสุข ไม่ต้องไปหาความสุขจากลาบยศสารเสริญไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะว่ามันยากที่จะหากันต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้ากันกว่าจะได้ลาบยศสารเสริญได้ความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสกันมาสักครั้งหนึ่งนี่ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อล้าต้องต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายลผลที่ได้รับก็สู้ผลที่ได้รับจากการ ใช้พุทธโธไม่ได้ความสุขที่ได้จากพุทธโธนี่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ น, นี่แล้วเป็นความสุขที่เราสามารถรักษาเอาไว้ได้ไม่มีใครมาแย่งจากเราไปได้แต่ความสุขทางลาบยศสรรเสริญนี้ เดี๋ยวก็ถูกคนอื่นมาแย่งไปได้มีเงินทองเดี๋ยวก็ถูกเขามาหลอกมาโกงไปได้มาขโมยไปได้มียศมีตำแหน่งเดี๋ยวก็ถูกเขาโยกย้ายได้คนอื่นอยากจะได้ตำแหน่งของเราเดี๋ยวเขาเส้นใหญ่กว่าเราเราก็ถูกเด้งได้เปลี่ยนได้ลาบยศสารเสรลดังวิรางวัลวต่างๆนี่ก็มีการแข่งแย่งชิงดีกันตลอดเวลา บางทีก็อาจจะได้บางทีก็อาจจะไม่ได้ขึ้นมาได้แล้วก็อาจจะเสียขึ้นมามันก็จะทําให้ใจวุ่นวายไม่มีความสุขคิดว่าได้สิ่งเหล่า น, นี้จะมีความสุขได้มาแล้วกลับต้องมาวุ่นวายกับสิ่งเหล่า น, นี้เพราะมันไม่แน่นอนว่ามันจะอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่เวลายังไม่ได้ก็วุ่นวายใจกินไม่ได้นอนไม่หลับนสู้มาเอาพุทธโธดีกว่า เอาความสงบจากพุโทโธพอได้ความสงบอันนี้แล้วไม่มีใครมาย่างไปได้ไม่ต้องไปฝากไว้ในธนาคารไม่มีใครจะมาโกงความสุขอันนี้ของเราไปได้มันจะอยู่กับเราตลอดถ้ามันหายไปเราก็เรียกกลับคืนมาได้พอพุโทโธหายไปเราก็พุโทโธใหม่พอพุโทโธใหม่ เดี๋ยวความสุขที่ได้จากพุโทโธก็จะกลับมาใหม่อันนี้แหละนั่นเป็นความสุขที่จะพาให้จิตใจเราสูงขึ้นไปตามลาดับสูงจากเทพสูงจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพจากเทพไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระาอาริยบุคคลจนในที่สุดก็จะไปเป็นพาาระอรหันตสาวกของพระพุทธเจ้า ไม่ต้องมาทุกข์กันแบบที่พวกเราทุกข์กันอยู่แบบนี้ต่อไปเพราะจะไม่ต้องกลับมาเกิดเมื่อไม่มาเกิดก็ไม่ต้องมาทุกข์กับการเลี้ยงดูเลี้ยงปากเลี้ยงท้องทุกข์กับการหาความสุขต่างๆในโลกนี้ทุกข์กับการสูญเสียความสุขที่ได้หามาได้ไปแล้วก็ลองมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตาย ไม่แต่เรื่องทุกข์เนี่ยการมาเกิดเนี่ยมันดีที่ตรงไหนการไม่เกิดเนี่ยมันถึงจะดีเพราะว่ามันจะไม่มีทุกข์เนี่ยทุกข์ย่อมมีต่อผู้ไม่เกิดเท่านั้นนะตาบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ตามนั้นยังจะต้องเจอความทุกข์กันอยู่ถึงแม้จะเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผ่นดินลูกของมาเสถียรก็ต้องทุกข์กันมีต้องร้องหย่ร้องไห้กันทั้งนั้นเพราะว่า ความทุกข์นี้มันมีทั้งภายนอกทั้งภายในทุกภายนอกทุกทางราบยศสารเสริญแล้วยังมาเจ่ทุกภายในก็คือทุกที่เกิดจากกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาโหมกระนําอยู่เรื่อยๆพอเราได้ศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติปฏิบัติทุดงปฏิบัติกรรมฐานนทําใจให้สงบแล้ว ทีนี้ทุกต่างๆมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันจะหายไปหมดเลยถ้าตราบใดเราไม่หยุดปฏิบัติกันไม่หยุดพุทธโธกันไม่หยุดกรรมฐานกันกรรมฐานนี่ก็มีหลายระดับระดับต้นเราก็ใช้พุทธโธพอเราผ่านขั้นต้นแล้วเราก็เปลี่ยนเป็นการมาพิจารณาร่างกายพิจารณาเกิดแก่เจ็บตาย พิจนาความไม่สวยไม่งามของร่างกายอันนี้ก็จะเป็นกรรมฐานสูงขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อที่จะกมจัดความทุกข์ให้มันน้อยลงไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนกรรมฐานไปตามขั้นตอนของการปฏิบัติจนในที่สุดก็สามารถที่จะกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้กาจัดความโลภความอยากโมหะอวิชชา ที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ที่เป็นตัวดึงให้จิตต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพอไม่มีโมหะอวิชากิเลสตัณหาก็จะไม่มีอะไรมาดึงจิตให้กลับมาเกิดอีกต่อไปจิตก็จะหลุดพ้นวิมุติจากกองทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในไตายภพเนี่ยพวกเราตอนนี้ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในไตายภพกันอยู่ พอเรายัางไม่ได้กําจัดโมหะอาวิชากิเลสตัณหาให้หมดสิ้นไปจากใจเพราะพวกเรายัางไม่ปฏิบัติทุดดงขวัตกันไม่ปฏิบัติกรรมฐานกันนั่นเองแล้เราต้องลองมาฝึกหัดปฏิบัติกรรมฐานฝึกหัดทุดดงขวัตกันลองกินมื้อเดียวกินอาหารใส่ก้าวมังใส่ชามอันเดียวพอใส่เข้าไปแล้วคุกมันมันคุกให้ให้หมากิน ่างกายมันก็เป็นเหมือนหมาเราเป็นเจ้าของหมานางกายไม่ได้เป็นตัวเราเราเลี้ยงดูมันเหมือนกับคิดว่าเป็นตัวเราความจริงมันเป็นเพียงคนรับใช้เราเป็นเหมือนหมารับใช้เราเท่านั้นเองไม่ต้องไปเลี้ยงดูให้มันดีหรอกขอให้มันกินอยู่ได้ก็พอแล้วเราจะได้มีเวลามาทําปฏิบัติกรรมฐานกันมานั่งสมาธิทําใจให้สงบ ดาวก็มาเจริญปัญญาพิจารณาตายรักอ น, นิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะทำให้ความอยากความโลภต่างๆหายไปหมดแล้วก็จะทำให้พอตายไปแล้วก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการที่เราเข้าวัดเข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เข้าหาบัณฑิตท่าเข้าหาคนฉลาด ทางทากันจะได้มงคลอย่างยิ่งคือจิตใจก็จะเจริญขึ้นไปตามลำดับความสุขก็จะมีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนถึงความสุขขั้นสูงสุดคือนิบานังปรมังสุขขังก็ขอให้ท่านจงนำเอาไปเพณิพิจารณาการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาไรวะหาปุราปะริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตาหนังอุปกะปติอิชิตังปะทิตังตุมหังคิดเปเมวะสมิจฉาตุสัพเพโุเรนตุสังกปาจันโทปันะระโสยะถามณนิโชติ อาราโสยะธัสพิตโยวิวัชจันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวตโันตารายโยสุขีทิคาโยโกภวะ อพิวาธนะศีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรมาวัานติอายุวันโอสุขังภาลางลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามคำถามใครมีคำถามอะไร เชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวหลังจากที่เลิกปิดไปแล้วก็จะไม่มีการถามอีกต่อไปอวันนี้ถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติด ต, ตามทางบ้านมีเท่าไหร่ค่ะทาง Facebook 328 YouTube 360าอวิทยออนไลน์21รับฟังบนเขา89 รวมทั้งหมด798ท่านค่ะถ้ามีคำถามก็เชิญถามได้เลยคำถามจากผู้รับฟังบนข่าวค่ะปักถามมาว่าได้แนะนำให้กลุ่มคนที่ยมปรารถนาดีอย่างจริงใจเข้าถือศีลปฏิบัติภาวนาที่สถานที่ปฏิบัติธรรมและที่วัดมีพระสุปฏิปันโนแต่พวกเขากลับพบ และศรัทธาคนในวัดที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิหลงอดิตชาติทำนายอนาคตซ้ำแล้วซ้ำอีกยมรู้สึกผิดมากทุกข์เพราะไม่รู้จะชี้แจงพวกเขาอย่างไรคิดแต่ว่าถ้าไม่เคยแนะนำให้เขาเข้าปฏิบัติเขาคงจะไม่มีโอกาสได้ศรัทธาคนเหล่านี้ที่งมงายขอพระอาจารย์ช่วยชีย้แนะให้ยมวางจิตตนเองด้วยค่ะทุกข์เพราะความอยากของเรา แล้วพอมันไม่ได้ดังใจอยากก็เลยทุกข์เราต้องใช้เหตุผลพิจารณาว่าสิ่งที่เราทำนี่เราทำด้วยเหตุด้วยผลแล้วคือเราคิดว่าที่นี้ดีแล้วที่ที่จะทำให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาแต่เนื่องจากสถานที่ทุกแห่งทุกคนมันก็มีคนนานาชนิดเข้าไปรวมกัน ก็มีความคิดเห็นที่มีทั้งสัมมามีทั้งมิจฉาทิฏฐิถ้าเขาจะเลือกเอามิจฉาทิฏฐิเป็นเพื่อนก็ห้ามเขาไม่ได้อันนี้ไม่ได้เป็นเจตนาของเราเจตนาของเราต้องการให้เขาพบกับบัณฑิตผู้มีสัมมาทิฏฐิแต่เขาอาจจะไม่ชอบเขาชอบพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิเขายังติดอยู่ใน อภินยาบ้างติดอยู่ในอภินิหารบ้างติดในเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเหมือนคนติดยาเสพติดนะคนยาติดยาเสพติดชนิดไหนมันก็จะไปหายาเสพติดฉะนั้นั้นมาเสพต่อให้เราพาเขาไปอยู่ที่ไหนก็ตามเดี๋ยวเขาก็ต้องหาช่องหายาที่เขาอยากจะเสพอยู่ดีอันนี้ไม่ใช่เป็นความผิดของเราเป็นความผิดของเขา ให้เราไม่ต้องมาเสียใจที่เราถือว่าเราได้ทำหน้าที่ของเราสมบูรณ์แล้วชี้บอกทางที่ดีบุคคลที่ดีให้กับเขาแล้วถ้าเขาไม่สนใจก็เป็นเรื่องของเขาไป คำถามต่อไปจากผู้ฝากถามบนขาวค่ะดิฉันมีเพื่อนอยู่หนึ่งคนซึ่งคบกันมานานและเพื่อนคนนี้ก็ไปรู้จักเพื่อนคนใหม่อีกคนซึ่งดิฉันได้รู้มาว่าเพื่อนคนใหม่คนนี้เป็นคนไม่ดีดิฉันจึงได้ไปกล่าวตักเตือนเพื่อนของดิฉันให้ระวังในการครบเพื่อนใหม่ เพราะดิฉันกลัวว่าเพื่อนของดิฉันจะถูกหลอกลวงและเสื่อมเสียชื่อเสียงในการครบเพื่อนใหม่ที่เป็นคนไม่ดีกับเรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่ดิฉันไปบอกกล่าเพื่อนในการพบเพื่อนใหม่จะเป็นการไปยุยงแย่ให้เขาสองคนทะเลาะกันหรือไม่และจะเป็นการผิดศีลหรือเปล่ากลับขอบคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะถ้าเราพูดตามความเป็นจริงและไม่มีเจตนาที่จะไป ยุยงให้เขาทะเลาะกันมันก็ไม่ผิดนะแต่ถ้ามันเป็นมีเจตนาอยากให้เขากลับมาคบเราพาะเราเหมือนกับเราสูญเสียเขาไปอยากจะได้เขาคืนมาก็เลยพยายามหาเรื่องที่ไม่ดีของเขามาบอกเขาอันนี้ก็ไม่ควรจะทำควรจะปล่อยให้ไปเป็นเรื่องของเขาไป ถ้าเขาไม่ถามก็ไม่ต้องไปบอกเขาคือการบอกนี่มันมีเจตนาหลายหลยอย่างเจตนาอาจจะเป็นความต้องการของเราอยากจะให้เขาเลิกคบกับคนนั้นมาคบกับเราใหม่ถ้าเป็นอย่างนี้มันก็เป็นกิเลสอย่าไปทาแต่ถ้าเป็นความบาดนาดีจริงๆ ก็พูดได้ถ้ารู้ว่าเขาเป็นคนอย่างนั้นคนอย่างนี้แต่ก็อย่าไปหวังว่าเขาจะต้องเชื่อเราบอกแล้วก็จบเขาจะเชื่อไม่เชื่อก็เรื่องของเขาเขายังอยากจะคบกันต่อไปก็ปล่อยเขาคบไปอย่าไปหาวิธีอื่นเพื่อที่จะทําทให้เขาเลิกคบกันถ้าอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของการไปก้าวไายชีวิตของผู้อื่น ไม่ควรที่จะไปยุ่งชีวิตของผู้อื่นเขาเพราะว่าเขาก็อาจจะมาไม่พอใจกับพฤติกรรมของเราก็ได้เนี่ยอย่างนั้นทำใจเถอดทาใจว่าทุกอย่างมันไม่เที่ยงมีเกิดมีดับมีเพื่อนก็เสียเพื่อนได้เสียเพื่อนแล้วเดี๋ยวก็มีเพื่อนใหม่ได้มันเป็นโลกของการเปลี่ยนแปลงเราอย่าใช้พฤติกรรมไม่ดีมาแก้ไข การเปลี่ยนแปลงเลยเพราะมันจะทำให้จิตใจเราตกต่ำไปเปล่าๆคำถามต่อไปจากคุณโคโค่ค่ะขอากาศครับพระท่านทำผิดศีลที่เคยออกข่าวเป็นประจำเช่นถึงขั้นฟ ร, ราชิกแล้วคนที่เผยแพร่หรือท่านกันแน่ครับที่ทำลายศาสนาและถ้าท่านกลับใจได้จะสามารถบลัลลุทำได้ไหมครับ ถ้าปาละชิกแล้วก็ยากเพราะว่าคนที่ทําปาราชิกนี่ก็ถือว่ามุดบอ่อจริงๆคนมุดบอดนี่ก็มักจะไม่มีตาที่จะเห็นธรรมได้ไม่มีทางที่จะกลับที่จะไปพระนิพพานได้เห็น mm hmm. คนที่เป็นปาราชิกนี่ท่านเปรียบเหมือนกับยอดตานด้วนต้นตาลที่ยอดมันด้วนนี่มันถึงแม้มันไม่ตายมันก็ไม่มีการเจริญงอ ง, งามขึ้นไปอีกได้ คำถามต่อไปจากคุณไพฑูรย์ค่ะการอดอาหารที่ถูกต้องควรปฏิบัติอย่างไรครับการอดอาหารนี้ก็เพื่อลดอการง่วงเหงาเหานอนลดการเกลียดคานแล้วก็ต้องดูกำลังของเราว่าเราอดได้มากน้อยเท่าไหร่วันหนึ่งสองวันสามวันแล้วก็ดูผลที่เกิดจากการอดว่า มันช่วยเราให้มีความขยันหมั่นเพียรมากขึ้นหรือเปล่าลดความง่วงเหงาเหงานอนลงไปหรือเปล่าเราก็ต้องศึกษาทดลองดูเอาว่าอดแบบไหนดีสำหรับเราคำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์ค่ะกราบขอโอกาสครับสมาธิข้านอุปจารสมาธิ อยู่ขั้นที่สูงกว่าหรือต่ำกว่าขั้นอัปปนาสมาธิครับพระอาจารย์มันไม่เป็นสูงกว่าแล้วต่ำกว่ามันเป็นชนิดที่อยู่ในระดับเดียวกันน่ะสมาธิทั้งสานี่คันิกะอุปอัปนาอุปจาระนี่มันเป็นสมาธิอยู่ในระดับเดียวขึ้นคือสงบเหมือนกันแต่ว่าคันิกะสงบแป๊บเดียวงูแลบลิน้นอัปปนาสงบนาน นิ่งแล้วก็เป็นอุเบกขาอุปจาระนี้สงบแล้วไม่นิ่งไม่เป็นอุเบกขากลับไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไปติดต่อกับกายทิพย์ไปอ่านความคิดของคนอื่นไปและเลือกชาติได้อะไรทํานองนี้เป็นอุปจารสมาธิคำถา ม, ถามต่อไปจากคุณนิยาค่ะ บุญสร้างได้ก็หมดได้แล้วถ้าสร้างบุญแล้วหมดแล้วเมื่อไหร่บุญจะเต็มหรอเจ้าค่าอบุญมีหลายระดับไงบุญที่ระดับเสื่อมได้ก็มีระดับที่ไม่เสื่อมก็มีเราต้องสร้างขึ้นจากระดับที่เสื่อมขึ้นไปสู่ระดับที่ไม่เสื่อมระดับที่เสื่อมก็คือบุญที่เกิดจากการทำบุญทำทานบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธินี่ยังเป็นบุญที่เสื่อมอยู่ แต่พอเราเก้าวสู่บุญในระดับปัญญามันก็จะทำให้ไม่เสื่อมอีกต่อไปคำถามต่อไปจากคุณอธิวัตรค่ะการเจริญภาวนาต้องกำหนดเวลาไหมคะได้ตอบง่ายๆก็ยิ่งมากยิ่งดีเหมือนเวลาไปขนเงินในธนาคารนี้จะมีกำหนดเวลาไม่ว่าจะขนกี่ชั่วโมงดีถ้าเขาเปิดให้เราไปขนนี่คงจา ถ้าไม่หมดก็ไม่หยุดขนเราเนี่ยภาวนาก็เป็นเหมือนขนเงินเข้าใจเราเนะี่ยเงินคือ น, นิพพานเนี่ยมรรคผล น, นิพพานเนี่ยให้มันเข้ามาในใจเราด้วยการภาวนาเหนภาวนาได้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งดียิ่งได้มากผล น, นิพพานมากขึ้นไปเท่านั้นนะ คำถามต่อไปจากคุณไพฑูรย์ค่ะถ้าเราจะบวชเป็นพระกรรมฐานควรไปศึกษาพระปริยธรรมเป็นพื้นฐานก่อนหรือไม่ครับไม่ต้องหรอกไปบวชที่วัดกรรมฐานเลยเขาสอนควบคู่ไปกับการปฏิบัติเลยถ้าไปเรียนกับปริยัติธรรมเขาจะสอนปริยัติอย่างเดียวเขาไม่สอนปฏิบัติพอเรียนจบปริยัติก็ไม่มีแรงที่จะไปปฏิบัติต่อ เพราะนั้นอย่าอย่าไปเรียนทางปริยัติไปเรียนทางกรรมฐานพร้อมๆกับการปฏิบัติวัดป่าวัดทวดงกรรมฐานวัดสายหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านสอนทั้งสองอย่างมีทั้งปริญัติมีทั้งปฏิบัติควบควบูคบ่กันไปคําถามต่อไปจากคุณนิยาค่ะ ต้องการเกิดเป็นพรหมต้องทําบุญอย่างไรหรือผู้ที่ได้ไปบังเกิดเทวโลกชั้นสูงสูงต้องทําบุญอย่างไรเจ้าคะถ้าเป็นพรหมก็ต้องถือศีลแปดขึ้นไปแล้วก็ฝึกนั่งสมาธิทําใจให้เข้าสู่ฌานขั้นต่างๆก็จะได้เป็นพรหมชั้นต่างๆ ถ้าอยากจะเป็นเทวดาเป็นเทพก็ทำบุญรักษาสีห้าไปรักษาสีนหน้าแล้วทำบุญทำมากทำน้อยก็ได้สูงต่ำไปตามปริมาณของการทำบุญคะคำถามต่อไปจากคุณอรุณค่ะกราบเรียนถามพระอาจารย์การทำหมันสุนัขหรือแมวเป็นบาปหรือเปล่าเจ้าคะไม่เป็นไม่ได้ไปทำร้ายทำลายชีวิตเขาเพียงแต่ป้องกันการที่เขาจะต้องมาตั้งคัน ทนนั้นเอง <host>: คำถามจากคุณอนนบค่ะการเจริญปัญญาหมายความว่าอ ย, ย่างไรครับการเจริญปัญญาทางโลกกับการเจริญปัญญาทางธรรมมีความแตกต่างกันอย่างไรครับการเจริญปัญญาก็คือเจริญความรู้การเจริญความรู้ก็ต้องศึกษาล่ําเรียนนั่นเองต้องเรียนถ้าเราไม่มีปัญญาของเราเองเราก็ต้องไปเรียนจากคนที่มีปัญญา ทางโลกเราก็ไปลงเรียนกันไปเรียนตั้งแต่อนุบาลไปถึงจบไปเรีญนยาเอกเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเรียนทางโลกได้ปัญญาทางโลกแต่ปัญญาทางโลกนี้ไม่ไม่สามารถเอามาดับความทุกข์ในใจเราได้เราต้องการปัญญาทางธรรมเราก็ต้องไปเรียนจากผู้มีปัญญาทางธรรมเรียนจากพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์เรียนแล้วเราก็ต้องเอามาทำต่อเพราะว่า เรียนรู้เดาเฉยๆไม่เอามาทำก็ยังไม่สามารถกำจัดความทุกข์ให้หายไปได้ต้องเอามาปฏิบัติต่ตอต้องมาทำทานมารักษาศีลมาภาวนากันคำถามจากคุณสยามค่ะขอโอกาสครับพระอาจารย์ผมปฏิบัติธรรมมาช่วงนี้แล้วครับกายนี้ปล่อยวางอย่างชั่วคราวหลายครั้งทาอย่างไรจะให้วางได้อย่างสนิทครับและขอโอกาสพระอาจารย์ครับผมจะบวช ที่วัดไหนดีครับเรื่องร่างกายก็ต้องไปเจอข้อสอบถึงจะรู้ว่าปล่อยจริงแล้วไม่ปล่อยจริงเช่นไปเจออุบัติเหตุใกล้ตายขึ้นมาก็ปองะยอมตายพอมันตายมันก็หายกลัวหายทุกข์แล้วถ้ามร่างกายมันไม่ตาย มันฟื้นกลับมาต่อไปมันก็ไม่กลัวความตายถ้ามันปล่อยได้แล้วมันต้องมีเหตุการณ์อะไรมาบังคับให้ปล่อยจริงๆเพียงแต่นั่งนั่ ง, น, งนึกคิดเฉยๆมันยังไม่เป็นของจริงต้องไปเจอของจริงเช่นไปเจออุบัติเหตุเจอโรคภัยหมอบอกว่ารักษาไม่หายแล้วตอนนั้นต้องไปโปรงเอาถ้าปรงได้แล้วก็ที่ปล่อยได้อย่างแท้จริงถ้าเกิดมันฟื้นขึ้นมามันก็จะอยู่แบบไม่กลัวตายต่อไป ส่วนจะไปบวชที่ไหนก็ต้องไปหาเอาเรื่องของบวชก็เหมือนกับเรื่องของอการไปซื้อของที่เรามาใช้ให้กับตัวเราะเราไปเลือกให้คุณไม่ได้หรอกคุณต้องไปเลือกเอาคุณชอบกางเกงทรงไหนเสื้อทรงไหนคุณก็ไปเลือกซื้อใส่เอาคุณชอบวัดแบบไหนก็คุณก็ไปเลือกวัดแบบนั้นไปบวชก็แล้วกันอคำถามจากคุณนิยาค่ะ ทำบุญกับพ่อแม่อย่างไรให้ได้บุญมากๆแล้วถ้าพ่อแม่ไม่ค่อยอยู่ในธรรมจะได้บุญมากไหมเจ้าคะได้พ่อแม่จะทำเป็นโจรหรือเป็นอะไรก็ไม่เกี่ยวกับการทำบุญกับพ่อแม่นี้ทำได้หลายลักษณะเบื้องต้นก็เชื่อฟังถ้าเรายังอยู่ภายใต้โอวายของพ่อแม่พ่อแม่ว่ากล่าวตักเตือนก็เชื่อฟังอย่าเถียงห้ามเถียงโดยเด็ดขาดห้ามด่าพ่อแม่ พ่อแม่พูดยังไงฟังเหมือนฟังพระเทศพ่อพระพ่อแม่เหมือนพระอาหารหันต์ของลูกๆมีหน้าที่คอยสั่งคอยสอนคอยตักคอยเตือนจะถูกหรือผิดก็ฟังไว้ถ้าสอนแบบผิดก็ไม่ต้องทำตามถ้าสอนแบบถูกก็ควรจะทำตามไปถ้ายังทำตามไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่อย่าไปเถียงอย่าไปอะไรมีหน้าที่ฟังเชื่อฟังเคารพเทิดทูน ยกย่องให้ท่านอยู่เหนือเสียงเราเสมอไม่ร่วงเกินท่านนี่คือวิธีตอบแทนบุญคุณทำบุญกับพ่อแมแ่ถ้าเรายังอยู่ภายใต้การเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนของท่านถ้าเราโตแล้วเรามีเราแยกไปอยู่ของเราแล้วเราก็หมั่นเข้ามาเยี่ยมท่านมีข้าวมีของมีเงนินมีทองอะไรก็บ่าวแบ่งให้ท่านใช้กันให้ท่านอยู่อย่างสุขสบาย ในยามแก่ายามชราถ้าท่านเลี้ยงดูตนเองไม่ได้เราก็ต้องเอามาเลี้ยงดูท่านไม่ให้ท่านทุกข์ยากลำบากเลี้ยงท่านเหมือนกับตอนที่ท่านเลี้ยงเราตอนที่เราเป็นเด็กๆนี่คือวิธีทดแทนบุญคุณในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่อีกวิธีหนึ่งก็ประพฤติตนให้เหมาะสมไม่ให้เสื่อมเสียต่อต่อครอบครัวของเรา อย่าไปทำให้ครอบครัวของเราเสียชื่อเสียงว่ามีลูกเป็นโจรมีลูกเป็นคนขี้โกงไปยายามปฏิบัติตอนให้เป็นพลเมืองดีเขารบกฎหมายไม่ติดยาเสพติดไม่มีมิจฉาชีพต่างๆไม่ทำมิจฉาชีพอะไรดำรงตนให้เป็นคนดีอันนี้ก็เป็นการทำบุญกับพ่อแม่พะพ่ อ, พอแม่เห็นลูกที่เป็นคนดีเป็นคนเจริญก็มีความสุขประการสุดท้าย แวลาพ่อแม่ตายไปก็ทำบุญอุทิศไปให้ท่านคำถามจากคุณกาพลค่ะถ้าเรายังมีกรรมเวรต้องชดใช้ในชาตินี้แต่เรามีความชอบและศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมไม่ทราบว่าเจ้ากรรมในเวรจะโหสิกรรมให้เราไหมครับเรื่องของเขาเราไปกาหนดไม่ได้แต่ถ้าเรามีธรรมแล้วเราไม่หวั่นไหว ต่อการจองเวรจองกรรมของเขาเขาจะจองเวรจองกรรมถึงแม้เขาจะฆ่าเราเราก็ไม่หวั่นไหวพระโมคคลาก็ยังมีคนมาเจ้ากรรมในเวรมาฆ่าท่านท่านก็ไม่หวั่นไหวท่านก็ไม่คิดหนีท่านบอกว่าหนีไปวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็ตามมาใหม่เงี้ยปล่อยให้มันเป็นไปตามบุญตามกรรมของมันเมื่อถึงเวลาก็ต้องตายอยู่ดีตายแบบใช้กรรมนี้ได้กรรําไรจะได้หมดหนี้กันไป ตายแบบหนีกรรมเดี๋ยวเกิดถ้าเกิดไปเกิดชาติหน้าเดี๋ยวมันตามมาใหม่เห็นขอให้ตายแบบกาไรดีกว่าตายแบบชดใช้กรรมไปคำถามจากคุณวิสวุทค่ะขอสอบถามการเป็นพิสุและไม่ศึกยากไหมครับกลัวบทแล้วจะทนอยู่ไม่ได้ครับก็ต้องลองไปอยู่เป็น หน้าก่อนเนี่ยถือศีลแปดนุ่งขาวห่มขาวไปอยู่กับวัดไปอยู่กับพระไปดูว่าพระท่านกินอยู่ยังไงปฏิบัติอย่างไรก็ทําแบบนั้นโดยที่ยังไม่ต้องบวชเนี่ยไปซ้อมก่อนเหมือนนักมวยยังไม่ขึ้นเวทีจริงเอไปชกกระสอบทรายไปชกกับคู่ซ้อมก่อน เ, อเนี่ยลองไปหาวัดอยู่นะวัดที่เขารับ นัพระรับที่จะบวชแต่ก่อนจะบวชนี่เขาไม่ให้บวชทันทีเขาจะให้อยู่เป็นภาคขาวไปก่อนถือศีลแปดแล้วก็ปฏิบัติตามที่พระปฏิบัติตอนเช้าตื่นกี่โมงลงบวชกี่โมงไปบิณฑบาตกี่โมงกินตอนไหนทําอะไรทํากับพระไปทุกอย่างแล้วดูซิว่าจะอยู่ได้ไหมบางวัดเขาให้อยู่ปีหนึ่งก่อนแล้วค่อยให้บวชอย่างที่นี่บนเขานี่ใครมาอยู่ที่นี่ก็ปีหนึ่ง แล้วค่อยมาพูดเรื่องบวชกันอย่างาต่างชาติเนี่ยเขามาอยู่ที่นี่กันบนั็นปีหนึ่งปีขึ้นไปแล้วพอถึงจะได้รับอนุยาตให้ไปบวชได้ตอนนั้นเขาก็จะรู้ว่าเขาพร้อมที่จะเป็นพระหรืยอยังคำถามจากคุณโคมินโฮค่ะวันหยุด เพื่อนชอบไปตกปลาแล้วก็ชอบทำบุญวันหยุดด้วยได้บุญหรือได้บาปครับถ้าทำแบบนี้ตกปลามันก็ได้บาปเลยไปฆ่าเขาอยัางถามนี่าสัตว์ตัดชีวิตลานาติปาตาไม่ละเว้นจากการฆ่าสัตว์เดี๋ยวก็ต้องไปเป็นปลาให้เขาฆ่าฆ่าปลาตกปลาเดี๋ยวก็ต้องไปเป็นปลาให้เขาตกทำกรรมอันใดไว้จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น คำถามจากคุณรัฐค่ะขอเรียนถามพ่อแม่ครูอาจารย์ถ้าคนติดในนิมิตความฝันแก้อย่างไรครับตอนที่เขาเป็นคือฝันแล้วก็เหมือนว่ามีความว่าจะเป็นจริงเหมือนในความฝันแล้วเขาก็หลงยึดติดเขาว่าจะตายอย่างนั้นอย่างนี้ตามนี้ก้าวกระผมพิจารณาดูแล้วคิดว่าคงหลงผิด แต่หมดทางเยียวยาแล้วคิดว่าพ่อแม่ครูอาจารย์คงเมตตาช่วยหาวิธีแก้ไขให้ได้ขอขอโอกาสให้พ่อแม่ครูอาจารย์เมตตาด้วยครับผมก็คิดว่าความฝันไม่ใช่เป็นความจริงก็แล้วกันก็รับรู้ไว้เฉยๆไม่ต้องไปเอาจริงเอาจังกับมันเดี๋ยวเกิดฝันว่าเป็นเศรษฐีแล้วไม่เป็นจะทำยังไง ฝันแล้วตายมันไม่ตายเห็นไหมถ้าตายมันก็ถ้ามันจริงมันก็ตายไปนานแล้วล่ะถ้ามันยังไม่ตายมันก็มันก็ไม่จริงเฮ้ยแยกแยะว่าความฝันกับความจริงเป็นคนละโลกกันคนละเรื่องกันความฝันก็เป็นเหมือนดูทีวีดูหนังนี่เองนะนี่ก็ดูไปดูแล้วจบก็ลืมมันไปเถิดไม่อยากไปคิดถึงมันอย่างเดี๋ยวจะรอคอยเมื่อไหร่ได้เป็นเศรษฐีสักทีฝันเป็นเศรษฐีเมื่อไหร่ก็ <laughs> คำถามจากคุณนกแอนน้อยดิฉันตั้งใจจะให้หรือตอบแทนกับคนบางคนหลายครั้ง ก็ได้เตรียมสิ่งของหรือตั้งใจไว้แล้วแต่เมื่อพบเขาเหล่านั้นเขาเหล่านั้นได้สื่อสารแสดงออกมาบางอย่างว่าวางแผนต้องการอะไรบางอย่างจากเราหลายๆครั้งเกินความสามารถเราพราะไม่ได้เขาก็ไม่พอใจความตั้งใจที่เป็นกุศลแต่แรกของเราเปลี่ยนไปเป็นโทสะเกิดไม่ต้องการที่จะทําหรือให้สิ่งของเหล่านั้นแก่พวกเขาแล้วและก็เกิดโทสะกับตัวเองที่เกิดจิตอกุศลนั้นตามพวกเขาไปและระงับจิตใจเราด้วย มีวิธีวางจิตหรือรับมือกับคนเหล่านั้นอย่างไรเจ้าคะคือเราต้องมีความาความก็เรียกว่าความตั้งใจก่อนว่าเราต้องการที่จะทำหรือให้อะไรเขาเนี่เพราะอะไรเช่ <c oughs> นเพราะว่าเราเป็นหนี้เขาเขามี มีบุญมีบุญมีคุณกับเราเราก็อยากจะตอบแทนบุญคุณเขาไปตามกํากลังของเราเรือว่าเราอยากจะให้เขาเพราะเราสงสารเขาเห็นเขาตกทุกข์ยากลําบากถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนแล้วเราก็ไม่ต้องไปสนใจกับความคิดกับการกระทําของเขาเขาจะคิดอย่างไรเขาอยากจะได้อะไรจากเราเรื่องอะไรเป็นเรื่องของเขาไม่เกี่ยวกับเรา ขอให้เรามีเป้าหมายอันชัดเจนว่าเราที่เราต้องการทำนี้ทำเพื่ออะไรแล้วเราก็ทำไปโดยที่ไม่ไปมีเงื่อนไขว่าเขาจะต้องดีกับเราเขาจะต้องอะไรกับเราไม่หรือต้องเป็นคนดีต้องเป็นอะไรร้อยแปดอย่าไปตั้งเป้าหมายอย่าไปตั้งเงื่อนไขถ้าไปตั้งเงื่อนไขแล้วเดี๋ยวมันมีเงื่อนไขมาทำให้เราล้มละล้มเลิกการกระทำได้ เราคิดว่าเรามีเป้าหมายอันชัดเจนเราทำได้ทั้งประโยชน์กับเขาแล้วได้ทั้งประโยชน์กับเราเพราะเขาว่าอาจจะเป็นมีบุญมีคุณกับเราเราก็อยากจะทดแทนบุญคุณกับเขาไปหรือเขาทุกข์ยากำลำบากเดือดร้อนเราก็อยากจะช่วยเหลือเขาถ้าเราได้ทำก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายคนรับก็ได้ประโยชน์คนให้ก็ได้ประโยชน์ฉะนั้นก่อนที่จะทาอะไรขอให้มีเป้าหมายอันชัดเจนว่าเราทาเพื่ออะไร ชนหนึ่งก็ทำเพื่อเราเนะี่ยเพราะการให้การทำความดีมันจะกลับเข้ามาหาเรามันจะทำให้เรามีความสุขใจและจะมีคนรักคนชอบเราเนีย่ยเะฉะนั้นเราไม่ต้องไปกังวลกับคนรับให้ไปแล้วเราค่อยดูพฤติกรรมเขาในภายหลังก็แล้วกันถ้าเขาทำตัวไม่เหมาะสมต่อการที่จะรับของของเราต่อไปเราก็ไม่ต้องให้เขาท่านเองเราก็คิดด้วยเหตุด้วยผล ถ้าเราจะไม่เสียใจจะไม่โกรธเขาเราไม่โกรธตัวเองนี่เราไม่มีเป้าหมายชัดเจนเราทำเพื่อที่อยากจะให้เขาตอบสนองอะไรให้กับเราเรายังอยากได้อะไรจากเขาอยู่พอเราไม่ได้ตามที่เราอยากได้เราก็เลยเปลี่ยนใจพอเปลี่ยนใจก็โกรธตัวเองที่ไปเปลี่ยนใจขึ้นมาฉะนั้นก่อนที่จะทำความดีทำบุญทำทานนี้ต้องมีเป้าหมายชัดเจนก่อน แล้วทำแล้วจะได้ไม่เสียใจไม่ผิดหวังจะไม่ล้มเลิกการกระทำคำถามต่อไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามค่ะ ผมนั่งภาวนาแล้วเกิดเวทนาปวดขา ม, มากแต่ก็อดทนแล้วภาวนาต่อไปเรื่อยจนมันปวดร้าวและสั่นไปทั้งตัวแต่ก็มีสติภาวนาพุทโธไปเรื่อยอยู่ดีดีร่างกายก็ค่อยๆเบาลง oui, สบายขึ้นมารู้สึกว่าจะชอบอารมณ์ตรงนี้มากถึงตรงนี้แล้วผมควรกำหนดจิตอย่างไรครับก็พุทโธต่อไปอย่าไปทาอะไร ถ้าไปม่หยุดพุโทโธเดี๋ยวมันก็อาจจะกลับมาปวดขึ้นมาใหม่แล้วเกิดอาการทุรนทุรายทางจิตใจต่อไปถ้าพุโทโธไปเรื่อยๆหรือถ้าให้พุโทโธก็ได้ถ้าจิตไม่ถ้าจิตสงบจิตไม่เดือดร้อนไม่ทรมาน ก, ก็รู้เฉยๆนั่งสักแต่ว่ารู้ไปแต่ถ้ามันยังไม่รู้ถึงขนาดแบบเป็นความสุขแบบมหาจัจจันใจก็พุโทโธต่อไปไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการ เจ็บปวดของร่างกายจะอยู่หรือจะหายเป็นเรื่องของมันไปเรามีหน้าที่พุทโธเพื่อให้ใจเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ต่อไปคําถามต่อไปจากคุณสยามค่ะขอากาดครับถ้าผมจะไปปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ต้องทําอย่างไรครับแล้วข้อปฏิบัติที่วัดมีอะไรบ้างต้องอยู่บนเขาหรือข้างล่างในวัดครับก็แล้วแต่เราจะเลือกอยู่ข้างล่างก็ได้อยู่ข้างบนก็ได้ ก็ต้องไปติดต่อกับคนที่เขาดูแลบนนี้ก็มีพระดูแลก็ต้องมาติดต่อกับพระที่ดูแลข้างล่างก็มีพระดูแลข้างล่างก็เลือกเอาแล้วก็ต้องดูว่าที่เขาว่างหรือเปล่าถ้าเ้าว่างไม่ว่างเขาก็รับเราไม่ได้ งั้นต้องไปติดต่อเหมือนเขาไปโรงเรียนอ่ะจะเรียนโรงเรียนไหนก็ต้องไปติดต่อกับโรงเรียนนั้นถามดูว่าเขามีที่ว่างหรือเปล่าแล้วเราต้องจ่ายอะไรให้เขาเขาถึงจะรับเราเข้าไปคำถามที่สองจากคุณสยามค่ะพระถือสินร้อยห้าสิบข้อหรือสองอยยี่สิบเจ็ดข้อครับถ้าถือร้อยห้าสิบข้อผิดพระวินัยไหมครับก็ไม่ครบไงพระวินัยมีสองร้อยิบเจ็ดข้อเดีวยวกัน เหมืนอนโยมถือศีลสามข้ออย่างนี้มันก็ไม่ครบห้าข้อคําถามจากคุณมาริวน์ค่ะการเดินจงกรมตอนถึงสุดทางแล้วจะกลับแล้วต้องพิจารณาอย่างไรเจ้าคะก็กลับเมันต้องพิจารณาเลยเมื่อมันสุดทางมันก็ต้องเลี้ยวกลับนะมันต้องพิจารณาเลยก็พิจารณาว่าคูณคุต้องเลี้ยวกลับแล้วเดินต่อไปไม่ได้ คำถามจากคุณเคป๊อปค่ะวันพระเราไม่ได้ทําบุญใส่บาตรแต่เราดูแลมารดาโอนค่าใช้จ่ายหาหมอและค่ารถค่าคนดูแลเราจะอุทิศบนนี้ให้กับบิดามารดาและญาติพี่น้องเราได้ไหมคะอุทิศได้แต่คนที่ล่วงรับไปแล้วคนที่ยังไม่ล่วรับก็ส่งเงินไปให้เขาเลยไม่ต้องไปทําบุญแล้วส่งไปให้เขาคําถามจากคุณรัฐค่ะพระอาจารย์รับสัมมเนรไหมครับ เราไม่รับใครทั้งนั้นมาอยู่ก็ต้องผ่านพระเขาพระเ้ามีกรรมการเขาจะดูแล ว, ว่าใครอยู่ได้ไม่อยู่ไม่ได้เราไม่ได้เป็นคนตัดสินคนเดียวค่ะคถามต่อไปจากคุณโคค่ะฝันเห็นคนตายมาขอข้าวกินใส่บาตถ้าเราใส่บาตแล้วคนตายจะอิ่มไหมครับถ้าส่งไปให้เขาเขาก็อิ่มนะถ้าเขารับอยู่แต่ก็อิ่มแบบ มื้อเดียวเพราะบุญที่ส่งไปนี่ก็เป็นเหมือนน้ำที่ติดอยู่ในแก้วมันไม่มากแต่มันก็พอให้บรรเทาความหิวได้ในระดับหนึ่งคคำถามต่อไปจากคุณดาดาค่ะ การจะบรรลุธรรมเช่นพระโสดาบันมีสัญญาณอะไรบอกไหมคะว่าเราบรรลุธรรมเพราะถ้าเป็นพระโสดาต้องมีสิ่งห้ามีความไม่ลังเลสงสยัยและนึกถึงความตายถ้าเราละสังโยชน์ครบเหมือนพระโสดาเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าเราจะบรรลุก็รู้ตรงที่เราปล่อยวางร่างกายได้นันะ่นแหละถ้าเราไม่กลัวตายเราอยอมให้ร่างกายตายเพราะเราเห็นว่ามันต้องตายเป็นธรรมดา ไม่ทุกข์กับมันเราก็บรรลุได้เพราะถ้าเรายอมตายแล้วศินห้าศีลเราก็ไม่ไปละเมิดคนที่ละเมิดศีลเพราะกลัวตายยังรักตัวกลัวตายอยู่เลยต้องไปขโมยข้าวมากินต้องไปทําร้ายผู้อื่นเพื่อป้องกันชีวิตของตนเองแต่ถ้าเป็นคนที่มีดวงตาเห็นธรรมก็รู้ว่าทํายังไงก็ต้องตายอยู่ดีสู้อย่าไปทําดีกว่าทําบาปแล้วมันก็เพิ่มโทษขึ้นมาให้กับใจ ท่านก็จะรักษาศี่ห้าอย่างบริสุทธิ์ะท่านก็จะไม่สงสัยว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่เพราะธรรมะที่พระเจ้าสอนนี่มันเอามาใช้ได้จริงมันเห็นผลจริงอก็จะเห็นเห็นธรรมเห็นธรรมก็เห็นพระพุทธเจ้าผู้ที่เห็นธรรมเห็นพระพุทธเจ้าก็คือผู้ที่บรรลุปเป็นพระสวัสดิบัล น, นี่เป็นพระสงฆ์หมดแล้วเนอะ <I> <I con. S 1> ได้ค่ะคำถามต่อไปจากทางของเราเองผมได้เงินเดือนมาแล้วแบ่งเป็นสี่ส่วนคือใช้เลี้ยงตัวส่งเสียพ่อแม่ใช้ทาบุญเก็บไว้ใช้ใจ่ายในคราวจำเป็นแบบนี้ถูกต้องไหมครับถูกแล้วแหละดีแล้วแล้วแต่ว่าจะแบ่งส่วนไหนมากส่วนมายน้อยสำหรับเร า, เาให้มันน้อยที่สุดแล้วก็เก็บไว้เผื่อวันจำเป็นเรื่องทาบุญให้มากไว้ เราใช้แค่สิ่งที่จําเป็นคือปัจจัยสี่อย่าแบ่งไว้ไปเที่ยวแบ่งไว้ซื้อขนมนมเนยตัดนั้นไปให้หมดเอาเหลือแต่ของจําเป็นจริงๆเท่านั้นแล้วก็แบ่งเอาไปใช้ส่วนอื่นแทนเอาไปทําบุญเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เอาไปเก็บไว้สําหรับวันข้างหน้าเอาอย่างนี้จะได้ประโยชน์มากกว่าเอาละนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา